น่าสังเกตว่าในครั้งพุทธกาลคนคงสนใจใส่ใจเรื่องมหาบุรุษกันมากจึงมีเรื่องราวในพระไตรปิฎกกล่าวถึงคํานี้หลายแห่งนอกจากเรื่องมหาบุริสลักษณะคือลักษณะของมหาบุรุษที่พราหมทั้งหลายทํานายเจ้าชายสิทธัตถะตามตำรับตาราที่สืบมาแต่โบราณของเขาแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นอีกก็คือในแง่หลักธรรม เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสด็จเที่ยวทรงสั่งสอนธรรมก็ทรงพบผู้ทูลถามเรื่องนี้ว่าบุคคลอย่างไรจึงเรียกได้ว่าเป็นมหาบุรุษแสดงว่ามหาบุรุษยังเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไปและยังมีการถกเถียงกันอยู่ขอยกตัวอย่างครั้งหนึ่งพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ทูลถามว่า ที่เรียกว่ามหาบุรุษมหาบุรุษดังนี้ด้วยเหตุผลแค่ไหนเพียงไรบุคคลจึงจะเป็นมหาบุรุษพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูกะสารีบุตรเราเรียกว่ามหาบุรุษเพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะเป็นผู้มีจิตยังไม่หลุดพ้นเราหาเรียกว่าเป็นมหาบุรุษใหม่ตามพุทธดํารัสที่ตรัสตอบนี้แสดงว่า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 หรือมาบีบบังคับอย่างไรได้ไม่ใช่เท่านั้นแต่ต้องไปให้ถึงขั้นที่ว่าปัญญาทํางานเป็นอิสระโดยไม่อยู่ใต้ความบงการกํากับของตัวตนข้างในไม่ใช่คิดอะไรตามใจอยากแล้วแต่ตันหามานะหรือทิฏฐิของตัวนั่นแหละจะมาชักจูงลากพาหรือบัญชาให้เป็นไปอย่างไรก็ตามความหมายของมหาบุรุษข้างต้นนี้ดังที่ว่าแล้วตรัสสั้น คงเป็นเพราะตรัสแก่พระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกที่เจนจบสูงสุดทางปัญญาแล้วจึงตรัสชี้ไปที่ตัวตัดสินสุดท้ายเลยแล้วก็ตรัสโยงต่อไปยังหลักสติปัฏฐานอย่างนี้ก็ได้แง่มองไปแบบสูงสุดเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจสำหรับคนทั่วไปซึ่งช่วให้มองเห็นความหมายแบบขยายความสักหน่อยดูได้จากพระดารัตในคราวที่ตรัสตอบ แกอัครมหาเสนาบดีแห่งแขวนมคตเรื่องมีว่าคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวรวนารามในเขตพระนครราชครุวัสการพราหมณ์มหาอามาตแห่งแควนมคตเข้าไปเฝ้าครั้นแล้วพรามณ์ใหญ่นั้นทูลว่าตามหลักของพวกเขาถือว่าบุคคลที่เป็นมหาบุรุษมีปัญญายิ่งใหญ่ ประกอบด้วยธรรมคือคุณสมบัติ4อย่างได้แก่ 1. เป็นพหูสูต ร, รอบรู้เรื่องราวข่าวสารอย่างรู้อัตตะแยกแยะได้ว่าเป็นความหมายของอันไหนอันไหน 2. เป็นผู้มีสติทรงจำรำลึกการที่ทำคำที่กล่าวแล้วแม้นานได้ 3. เป็นผู้มีทักษะไม่ปล่อยประเกียดคร้านในกิจกรณีที่เป็นเรื่องของชาบ้านชาวเมือง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 แต่พระองค์ทรงวางหลักว่าบุคคลที่เป็นมหาบุรุษมีปัญญายิ่งใหญ่ประกอบด้วยคุณสมบัติสอย่างดังต่อไปนี้ 1. บุคคลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชนเพื่อความสุขแก่พหูชนทำให้ประชาชนดำรงอยู่ในทางดำเนินแห่งอารยะชนกล่าวคือ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 ซึ่งเจโตวิมุตตภาวะพ้นเป็นอิสระแห่งจิตและปัญญาวิมุตตภาวะพ้นเป็นอิสระด้วยปัญญาอันไร้อาสวะเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพุทธพจน์ตรัสตอบแสดงความหมายของความเป็นมหมาบรุษนี้มีหลายแห่งแต่เพราะทรงตอบให้เหมาะกับผู้ถามและมักมาในคาถาเนื้อความจึงมักรวบรัดหรือไม่ก็ลึกลงไปในแง่ที่เน้น ในที่นี้เห็นว่าพระดำรัสแก่มหาอามาตย์ข้างต้นนี้ทรงตอบแก่ผู้ถามซึ่งอยู่ในสถานะใหญ่กว้างโยงไปถึงคนทั้งหลายได้ทั่วและเป็นความร้อยแก้วแยกเป็นข้อๆกําหนดง่ายจึงยกมาแสดงเป็นหลักตัวอย่างถือว่าความเป็นพาวิตะสีด้านก็รวมอยู่ในคุณสมบัติสีข้อนี้หรือว่า คุณสมบัติของมหาบุรุษสประการนี้เป็นการสัมดงในยะอีกแนวหนึ่งของภาวิตะสนั้นโดยยกเด่นขึ้นมาในส่วนที่แสดงถึงความสามารถอันยิ่งใหญ่อย่างพิเศษที่ตระหนักได้ว่าเป็นสิ่งอันยากสำหรับคนทั่วไปจะทำได้คุณสมบัติข้อแรกของมหาบุรุษที่ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่หูชนเพื่อความสุขแก่หูชน ทำให้ประชาชนดำรงอยู่ในทางดําเนินแห่งอารยชนกล่าวคือความมีกัลยาณธรรมความมีกุศลธรรมนั้นบอกจุดเน้นแห่งคุณของบุคคลผู้บรรลุนิพพานที่ว่าจบกิจแห่งพรหมจรรย์ไม่มีอะไรที่จะต้องทำเพื่อตอนเองอีกต่อไปแม้แต่การที่จะต้องศึกษาเพื่อฝึกตนเองต่อแต่นี้จึงมุ่งบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน บรรจบกับจุดหมายแห่งการดำเนินชีวิตของพระอรหันต์และการมีอยู่ของพรหมจรรย์คือพระพุทธศาสนาทั้งหมดซึ่งปรากฏในพุทธดำรัตน์อันตรัสเน้นอยู่เสมอที่ว่าพระหุชนะฮิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะกล่าวคือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พระหูชนเพื่อความสุขของพระหูชนเพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลก เมื่อบัญญายมาถึงจุดบรรจบนี้ภาวะของผู้บรรลุนิพพานก็บอกด้วยถึงความบรรจบแห่งสุขของบุคคลที่จะเป็นไปเพื่อความสุขของมวนชนทั้งโลก